พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าประสบการณ์เรื่องช้างและเสือวันนี้เป็นวันที่ส5บห้า ธันวาคมพุทธศักราช2554วันนี้รู้สึกว่าหนาวเริ่มอากาศหนาวมาหลายวันกว่าวันที่16อากาศจะเริ่มหนาวลงไปอีกว่าช่วงอากาศหนาวสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กอยู่บ้านนอกใบไม้ร่วง ในหน้านี้ใบไม้ร่วงแล้วก็ทำไร่ทำนาคนชาวไร่ชาวนาก็กลับเข้ามาบ้านไม่มีใครอยู่ท้องทุ่งนาเวลาออกไปท้องนาขณะนี้กลางวันเนี่ยโอ้กลัวนะเออกลัวพอบางครั้งก็มีเสือออกมาเหมือนกันนะบ้านหลวงพ่อนะ่มีเสือนะ สมัยก่อนเก่าแต่แถวนี้ก็คงจะมีเหมือนกันนะแต่ขณะบ้านตากในลุงตาบ้านตาดมาอยู่ที่บ้านตากแล้วยังเสือยังกินคนนะเสือยังกินคนบ้านตากนะโยมแม่อาของท่านนะ่ะลูกสาวของแม่อาอาก็คือน้องพ่อนะ่ะเด็กเข้าโรงเรียนอายุสมัยนั้นนักนักเรียนก็นอายุเจ็ดปีน่ะเข้าโรงเรียน อันนี้ก็คงจะแปดเาปีนะเด็กพอเลิกโรงเรียนมาแล้วก็ไปเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงก็คงจะเป็นเดือนพฤษภามะม่วงใกล้ๆบ้านยี่อยู่ในสวนไปเก็บมะม่วงมากินเด็กพอเขาไปเสือตะคบลากเอาไปกินเด็กผู้หญิงฮะ ว่าตอนเย็นมาแม่ก็ไม่เห็นพ่อไม่เห็นก็คิดว่าลูกตัวเองไปอยู่ในบ้านญาติพอค้ำข้ามเข้ามาอีกดึกเข้ามาเองทําไมมันไปไหนมันทําไมไปบ้านญาติไปถามหาที่ไหนก็ไม่ได้เพราบ้านตาดมันก็ไม่ใช่บ้านใหญ่ถามก็ไม่รู้ตาทยทํายังไงพอผงในเช้ามันไปที่ไหนพอมันมาจากโรงเรียนนะตามปกติมันจะไป เก็บมะม่วงกินเหมืะ ม, ม่วงก็เรียกมะม่วงน้อยมะม่วงกรสอมะม่วงอะมะม่วงพื้นบ้าน่ะจากนั้นก็ตามเขาก็ตามไปดูตามไปดูที่ไหนได้เห็นแต่ส ม, มัยน้ำผ่าถุงหลุดเห็นแต่ลอยลากเข้าไปเสือเสือเอาไปกินจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยไปดูดูโอหมดกิน แต่โดยมากเสือจะไม่กินหัวคนเนะยจะไม่กินหัวนะกินแต่ตัวแล้วก็ทิ้งหัวเอาไว้เสือกินโดยมากกินแต่ตัวแล้วหัวหมูนก็ทิ้งหัวตรงนั้นถ้ามันหิวมนะันจะกลับมากินอีกไหมแต่เดินตามเขาไปที่ไหนได้เห็นแต่ซากคนมันตายเสือกินแล้วจากนั้นเขาก็เตรียมดักแล้วแต่ไหน ه, เจ้าบ้านเขาดักเน่หลวงพ่อได้ยินเนี่ยพ่อตูพ่อใหญ่ศิลที่ถวายที่วัดป่าบัานตาดผู้ผู้เท่าพูดให้ละเอียดเรียงลําดับให้ฟังเราก็ถามเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะเออเขาดักเสือนะเขาดักจะไหนเขาทํำยังไงผู้เท่าก็เลยพูดให้ฟังพ่อพใหญ่ศิลที่ถวายวัดป่าบัานตัดพ่อใหญ่สารวัตรคนหนึ่งพ่อใหญ่ศิลคนหนึ่งผู้ใหญ่ศิลนี่เป็นที่ นับถือของหลวงตาเราได้ถือว่าพ่อใหญ่ศิลเนี่เป็นคนที่มีเหตุผลหนักแน่นนะก็เป็นที่ยอมรับของหลวงตาเราเป็นคนนิสัยดีที่ไดให้กับเล่าเลาให้ฟังว่าเนี่ยพอไปก็ตามไปเห็นจะเห็นเสือกินจริงๆเนี่ยแล้วทํำยังไงเนี่ยจน่นต้อก็ขึ้นไปดักทําไปขึ้นไปอยู่ข้างบนดักไปดักยิงมันมั้งนั้นไปดักยิงเสือตัวเนี้ย ก่อนที่จะดักริงเนี่ยเขาก็ทําเป็นนั่งล้านกันไปข้างบนพอก่อนที่จะทํานั่งล้านเนี่ยก่อนจะขึ้นข้างบนเน่ยตั้งคนที่ไปเป็นยี่สิบสามสิบคนต้องใช้ก้อนหินต้องใช้ท่อนไม้ปาวไปเดินเข้าไปนูน่นนาะไปคนละทิศ ท, ทางกันคือไล่เสือว่างั้นเถอะไล่เสือให้มันหนีออกกลางห่างซะก่อนเผื่อไม่ให้ไม่ให้มันเห็นที่ขึ้นไปทํานั่งล้านอยู่ข้างบน ถ้าไม่งั้นขนขึ้นไปทํานั่งร้านเสือมันเกิดมองดูมันก็จะไม่มานะีมนุษย์นี่เก่งเลยเออมนุษย์นี่เก่งไปวัดไล่ไปคนละทิศละทางกันแตะโกนเสียงดังดังเวียงก้อนไม้ก้อนดินไล่ไปห่างๆเป็นก็ว่ามันมองไม่เห็นอย่าจากน้ำพูถึงขึ้นไปข้างบนก็ไปรีบไปทำไปทํานั่งร้านอยู่ข้างบนชงสูง จากนั้นพอเสร็จแล้วก็ทําท่าเรียกกันกลับแล้วไงเลียงบอกเอออาเออกาคนไทยกลับบ้านแลนะไหนทําคุยกันเสียงดังๆใครเขาว่ามนุษย์กลับบ้านเนะีเสือมันก็อยู่ในป่าไนงะเห็นว่ามนุษย์กลับมันก็ค่อยรุมรุมเข้ามาเลยเออมาแบบมีจังหวะได้มาแบบมีลวดลายแต่เสือถูกยิงผู้เฒ่านี่บอกว่าเสือถูกยิงเสือตัวนี้เจ็บ ถ้าว่ามันไม่ถูกเกียงมันคงไม่กินคนหรอกเสือหิวเหมนมันหากินที่ไหนไม่ได้แล้วมันก็มาอยู่ใกล้คนมื่เห็นคนมันก็เลยตะคุบเลยเสือถูกกิยงมาก่อนเสือตัวนี้นจากนํากระดุ่มรุมรุ่งเข้ามาไอ้สองคนสองอยู่ในร้านไนอยู่ในห้างอยู่ข้างบนต้นไม้แปลว่าเอาปืนปืนสมัยก่อนกับปืนเพลิงนะวะเฉันว่า มัก็ดูยดุยเข้ามาโอ้ลักษณะแมวนะงั้นแมวใหญ่เหั้นเดินแบบมีลักษณะท่าทาง เ, าเดินแบบแบบย่องย่องเข้ามามีรวดลายอะไรเหมอนั้น <c oughs> เขามาหาศักมาหาศากศพหัวคนที่ตายเขาทิ้งเขาเอาไว้อพอเขามาใกล้ได้จังหวะก็ลั่นปืนเลยเหมนนยิง ยิงก็อ้วกเลยมันก็ร้องเล ย, เลยแต่ขนาดหนึ่งยิงด้วยกันยังไม่ถูกนะยุดถอกถูกกระบอกเดียวกันยิงถูกหัวมันพอดีเมันก็วิ่งก็ไปหน่อยเนะิงก็เลยตายไปนัน่นนหะเขาเรียงลําดับให้ฟังอยู่ที่บ้านตาดเสื อ, อยังมีได้แต่บ้านหลวงพ่อในสมัยก่อนเป็นเด็กก็เหมือนกันนี่ยหละที่ว่าเนี่ยน้าใบไม้ร่วงอย่างเนี้ยเสือเนี่ย มาจากประเทศลาวเขาว่าเสือมาจากเมืองลาวโอเด็กออกไปข้างนอกเนี่ยต้องระวังนะถ้าไม่งั้นกลัวเสือกินเหมือนกันสมัยหลวงพ่ออยู่สมัยนั้นเสือกินวัว ก, กินควายเนี่ยแต่ละปีเนี่ยไม่เคยขาดตรงนั้นไม่เคยขาดเสือมันมาออกมาเระกินกินแล้วก็ผ่านไ ป, ม, นปมันก็แปลกมันไม่ต้องไปไหนแต่บางปีเนี่ย วัวอยู่ทุ่งนาวัวอยู่ทุ่งนาเสือมันตะปบเสือมันอยากกินวัวหน่อมันตะคุบวัวพอมันตะคุบมันก็ร้องอ้ากรวัวมาหน่อพอร้องอาดพวกหมูมันมันไม่ทิ้งกันเลยอมันไม่ทิ้งกันกลุ้มเข้าไปกลุ้มเข้าไปจะไปสู้กับเสือเอว่าไงแต่พอวัวมันร้องเน่ยพอสู้เสือตะปบ เออข้างวะบัง่งคอวะบัง่งกัดขาบัางโอ้ถ้ามันจากนั้นเกิดมันเจ็บกระต่างตัวต่างวิ่งหนี้ะไรท่านเยเสือก็ได้กินตัวหนึ่ง เ, เสือกินตัวหนึ่งแต่จำนวนที่เข้าไปสู้กับเสือเนี่ยเสือตบเสือกัดเนี่ยบางทีถึงห้าหกตัวนะเนี่ยมันเจ็บเพราะเสือนะโอ้คนก็ต้องเอามา เอาอะไรมาโปกออกมารักษาตามปะสิีภาษาบ้านนอกเนะ่ะเราเป็นเด็กเรายังเห็นโอ้หน้ากลัวจริงๆเสือเสือสมัยหลวงพ่อเป็นเป็นเด็กพราะมันกัดตัวหนึ่งแล้วก็มันก็วนไปสู้แต่ไม่เหมือนควายเนี่ยควายพวกตัวใหญ่ๆพวกควายชาวบ้านนะพอมันถูกกลิ่นเสือนะ พอมันถูกกินเสือเนี่ยมันจะรวมกันทันทีนะมันจะวิ่งเข้าไปในกลางทุ่งนาที่โล่งๆเลมันประจับไม่อยู่ในป่ามันจะหาสมอละภูมิของมันเลยมันจะวิ่งออกไปในกลางท้องนาตัวตัวลูกของมันกับวิ่งแอบตัวแม่มันนะวิ่งแอบตัวแม่มันติดข้างแม่มันเลยเพราะเสือมันจะกินตัวเล็กก่อนเเพราะนั้นลูกแม่มันก็หวงลูกมัน แม่มันปกป้องลูกมันมันจะแอบเข้ามาในตัวแม่มัน อ, อแล้วก็เลี้ยงกันเลยนะโอบออกไปเป็นฝูงเลยพอเป็นฝูงเสร็จแล้วไปพอกลางทุ่งที่ปลอดภัยแล้ว อ, อ, อยู่ในกลางทุง่งตัวตัวน้อยๆ น, นะอยู่เข้าไปอยู่ข้างใน อ, อตัวแม่ของมันหันหัวออกออกมาข้างนอก อ, อหันหัวออกมาข้างนอกทั้งหมดเลยแต่ลูกของมันอยู่ข้างในทั้งหมดตัวที่ ตัวหนุ่มตัวน้อยทั้งหลายที่ยังไม่มีเขานะแต่ในตัวใหญ่ที่มีกาลังที่มีเขานะ่ก็วิ่งรอบหมูเลยนะเออ ม, มันรักษาหมูเฟือ่เพื่อนของมันนะวิ่งรอบเลยวิ่งแบบว่าเป็นทหารกล้านะลักษณะอย่างั้นนะวิ่งถูกกินทั้งไหนก็วิ่งไอ้พวกจำนวนเก็ยืนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเสือเข้ามาไม่ได้นะ เสือก็กลัวเหมือนกันนะเอไม่กล้าที่จะเอามาเพราะควายมันพร้อมแล้วพร้อมที่จะสู้นะในชีวิตของสัตว์ป่าชีวิตของสปรปสัตทั้งหลายเห็นแล้วอมเขาก็ยังปกป้องของเขาเขาไม่ปล่อยทิ้งใครๆว่าถ้ามันตูกต่างตัวต่างอยู่นะเสือกินหมดนะเนพยพอถูกกลิ่นเสือท่านกินสาบเสือแลนะ้วะ มันจะวิ่งเข้ามาหากันแต่ที่ผู้เจ้าก้อก็เหมือนกันสมัยปี2 5 0 0ั้าสมัยนะั้นหลวงพ่อจะบวชปีนั้นนะปีสองพันห้า้อแต่ออกโรงเรียนออกโรงเรียนแล้วนุ๊ปปิดโรงเรียนก็คือเดือนเมษสาสอบเดือนมีนาเมษาก็ปิดโรงเรียนแต่ประมาณเดือนกุมภานะเสือมันมาจากประเทศลาวอย่างที่ว่านะเสือหกตัวปีนะั้นเข้ามาชาวบ้านเขารู้นะ มันอยู่ที่ไหนที่ไหนเชาว บ, บ้านเขารู้แต่กลางคืนมันจะร้องอ้าวว้าวหลอบบ้านโอ้น่ากลัวมากนะอยู่ในในนั้นน่อาวุธยุธโทโธปกรณ์กับอย่างว่าเน่ยปืนทาเองในหมู่บ้านก็ไม่มีกี่ก็บอกเนี่ยวัวควายนะ่ยหมูเนะี่ยนวะิ่งไปนอนกลางบ้านเน่ะหมูหมูในอยู่ในหลายบ้านห้าสิบหกสิบหลังคาเนะี่ยพวกหมูเนะี่ยวิ่งไปนอนจะกลางไหนกลางหมู่บ้าน กลางหมู่บ้านอยู่ไหนอยู่กลางเนี่ยนะหมาหมูกับมานะ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปโดยอัตโนมัติของมันเนี่ถ้ามันอยู่ในมันก็กลัวเสือใช่ไหมมันกรวมกันอยู่ในกลางหมู่บ้านเหมือนกันที่ปลอดภัยนะอยู่กลางๆงเนะี่ยทั้งหมาทั้งทั้งหมูเนี่ยมันไปรวมกันแต่ควายไม่ต้องพูดถึงละเยชาวบ้านเขาใก็ไม่ลงอะมีแต่จุด ปืนจุดไฟให้มันเสียงโพงให้มันเกิดไฟขึ้นมาในหมู่บ้านก่อไฟขึ้นมาเนี่แหละเสือทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกลัวไฟนะถ้ามีไฟไปว่าไฟเนี่ยเป็นเป็นเอกรักหรือว่าเป็นอาวุธอันหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันนะช้างก็กลัวเสือก็กลัวถ้ามีไฟนี่เขาก็ไปก่อไฟให้พวกสัตว์ทั้งหลายอยู่ บางทียังทำเป็นคอกอีกอย่างหากทำเป็นคอกอย่างแน่นหนาเลยภัยมันเข้าไปอยู่ในคอกแล้วก็ปิดคอกอย่างดีอีกนี่แหละอันนี้ก็คืออยู่ในป่าสมัยก่อนอยู่ในความพิษภัยเหมือนกันนะแล่อย่างที่ว่าเสือตัวนี้ก็เหมือนกันที่ภูจ ก, ก้อนเ่หลวงปู่ล่านะแต่หลวงปู่ล่ายังไม่อยู่หลวงปู่ล่ามาอยู่ มันอยู่อีกปีหนึ่งถ้ามาอยู่อีกปีก็จะปีต่อมาเองเพราะว่ามั น, มนช่วงนะั้นมันเป็นอาจจะเป็นช่วงม ก, กราไม่ใช่นะอยู่อยู่ก่อนเสือมาก่อนเั่นวานน่ะแต่หลวงปู่ล่ามาอยู่ปีสองพันห้าร้อยอันนี้คงจะก่อนเพราะหลวงพ่ อ, อยังยังเรียนหนังสือนั้นอยู่ยังเห็นที่โรงเรียน ขูโรงเรียนเขาบอกว่านักเรียนใครอยากจะไปดูเสือไปได้ลวงพ่อเองจะเป็นเด็กวิ่งจั้นเลยวงั้นเอะพอไปเห็นว่าไปเห็นโอ้แมวใหญ่นี่นะ า, าเาพราะไม่เคยเห็นเสือมาก่อนบ้านนอกเลยเไปเห็นโอ้แมวใหญ่ต่างคนก็ต่างไปจับไปดึงดูรูปขาของมันโอ้โหแมวตัวนี้ใหญ่จริงๆแมวใหญ่ แต่ตามจริงเสือกับลักษณะแมวนะเขาก็วัดให้ดูวัดเสือต้องวัดอย่างแน่เขเขาก็เอาวัดไม้แล้วเขก็วัดตั้งแต่จมูกมันนะตั้งแต่วัดจมูกถึงมาหัวถึงหางสุดมันเสือตัว น, นั้นห้าศอกกว่าห้าศอกกว่าแปลว่าเสือกำลังเป็นหนม่มเนี่ยนะเสือตัวนี้กําลังมันจะกินควายเหมือนกันควายจะตีนเขาพูเจ้ากน ควายก็ถูกสาบเสือมันก็วิ่งมารวมกันอย่างที่ว่านะเลอหัวหน้ามันก็วิ่งล้อมรอบควายประมาณสักสิบกว่าตัวหนะ่อตัวเมียก็วิ่งรอบเหมือนกันนะแต่ตัวไหนมีเขาก็จะว่าตัวนั้นมีอาวุธเหมือนกันแนตะตัวที่ไม่มีอาวุธก็ยืนอยู่ยข้างในเสือจะมาหลอกยังไงก็จะไม่แตกเหมืนนแะบางทีเสือนะมันมันหลอกควายเหมือนกันนะหลอก้าควายเลย บางทีมันเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ทําท่าหัวลอกเมื่อบางทีก็ทํามันหนังมันพึ่งออกไปเหมือนก็บรอกล า, างร่มลักษณะอย่างนั้นนะอ่ะเออแล้วก็หุบมาไว้แล้วก็พึ่งออกไปเพื่อให้ควายแตกเห็นแต่ควา ย, ายโดยมากถ้าควายที่มั่นคงมันจะไม่หนีเนะมีแต่แหวงเขาใส่ไรอย่างนั้นเอ่าเนี่แหละอันนี้คือเสือเสือสู้กับควาย สมัยนั้นควายสู้เสือมาแต่นี่พอพอมันเหลือเสือ่อควายไม่แตกทีนี่เสือควายไม่แตกมันก็เลยหลบออมาอมีโยมคนหนึ่งเขาไปตักน้ํามันยางปืนกับปืนยิยงนกหนักเล็กๆไงไปก็ไปดักอยู่ข้างทางเดี๋นี้ตัวมากเขาไปดักอยู่เขาจุดแอบอยู่ตามข้างต้นไม้ถ้าเสือมาก็คงจะวิ่งขึ้นต้นไม้ทันขนาดนั้นนะ เก็ไปดักแอบโขนต้นไม้เสือมก็มานะเสือมก็ไปไปหาควายแล้วไปหาควายแล้วควายไม่แตกเลยเอบรอให้แตกมันไม่แตกจะั้นก็เสือมเสือมก็เดินดุมดุมตามปกติเสือเนี่ยพอข้ามทางเนี่ยมันจะไม่ข้ามไปทีเดียวเะยเขาเรียกเสือเหลียวเหลียวเหล่าะเหลียวเหล่าแค่ว่าพอจะข้ามทางเนี่ยต้องเดินเอี้ยวหลังมองออ เป็นอกับกิริยาของเสือนะเ้นเสียแต่ว่ามันโดนไล่ถูกจริงมาเออมกระโดดไปเลยแต่ตามปกติเนี่ยถ้าหากว่ามันเดินตามปกติเนี่ยพอมันจะเข้าไปอีกป่าหนึ่งนะมันจะมองเอียวหลังเอ่อเอียวหลังดูทางที่มันมาก่อนยังค่อยหันหน้าเดินไปนั่นแหละในขณะที่มันเดินจะข้ามทางนะทางเล็กๆนะไม่ใช่ทางใหญ่อะไรแต่ทางคนเดิน เนี่ยผมมันเดินข้ามถามก็เดินเอี้ยวหลังเดี๋ยวมองเหล่าเพราะว่าเดินที่เดินที่ผ่านมาคนระับมันผ่านที่ไหนมาขณะที่มันเอี้ยวหลังกําลังจะมองเนะีอยตาแก่ตัว น, นั้นก็ปืนยิงเลยมัยงนงันจะปั้งถูกเข้าไอ้ตรงสันหลังถูกไตมันพอดีไงถูกสันหลั ง, ง, ง, ง, ง, งที่ไตของมันนะมันก็กระโดดออกเข้าป่านพอในส่วนวันต่อมาเขาก็ ไปตามๆดูมันเป็นยังไงเอาหมาไปได้ีนไงมนุษย์ตีเห็นเอาเปรียบสัตว์จริงๆนะเอขนาดที่จะไปล่าเสือเอาหมาเข้าไปเหมือนกันถ้ามันกัดก็กัดหมาเหมือนกันจะไม่ใช่กัดคนเหมั้นกันมนุษย์มันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นอนะ่ะตอนนี้เอ็มหมาตัวนี้นก็หมาหางรูดเหมือนเสือนี่เล้เหมือนเสือตะกูดนะหมาตัวน่ะหางรูดเนี่ยตัวปักใจมันก็งวกของมันเหมือนกันน่ะออพอเข้าไปนี่พอเข้าไปมืนกั มันก็ไม่รู้เสือเหมือนกันวะมันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเสือเหมือนกันมันก็คงจะว่าแมวนะไปมันก็คงจะไปเข้าไปเหนือลมนะไปทางเหนือลมนะมันไม่ถูกกลิ่นนะไปเหนือลมพอไปเห็นมันก็เห่าว่งงแต่นี่จะเข้าไปอ๋คงจะมันเสือเห่าหมาเห่าขันนั้นคงตายแล้วมั้งเเสือก็มาได้ยินเสียงโอกเสียงอักอะไรไลตามปกติมันจะขู่หมาทันทีนะยเอี่ยมันจะอแล้วถ้าถ้าถ้าหากว่า ทางว่าเสือยังไม่ตายนะอันนี้มันเงียบเลยคนก็ย่องย่องเข้าไปที่ไหนได้เสือตายจริงๆมันนะึงมันถูกไตมันพอดีกระดูกหลังไอ้ทุกช่วงหลังมันเนี่ยแหละเสือตัวนี้แนหะละหลวงพ่อเห็นนะห้าศอกนะ่ะเสือตูผู้อย่านะั้พอต่อมาอีกเขาไปดักเกียงอีกนะยได้เสือตัวเมียบัตรนะอีกคนคนละหมู่ฝากหมู่บ้านกันนะ่ะคนละฝากบ้านกันนะ่ะ ไปกินควายเลยกินควายได้นะกินควายตัวใหญ่พอสมควรท่านนควายกำลังจะสองสามปีนะ่าควายที่มีเขาแล้วนะเอมันกินควายล่าเข้าไปในป่า ก, กินแต่นนี้นเขาก็เป็นดัก <H È S 2> พอไปดักเสร็จ แ, แล้วเขาก็ยิงยิงมันก็ถนะูกอีกเหมือนกันมันตายหัวตายเข้าไปามันอยู่มันมีต้นไม้อไอ้อ้มันเป็นมันเป็น ที่เขาทําไร่ทําสวนแล้วนะไม่มีต้นไม้นี่มันมีแต่ป่าหญ้าเสือหมอบหญ้าฝรั่งนะแต่ละมันก็ไปตายนย่านันนะแต่เด็ก็เออไปเอาหมาตัวนั้นล่ะเอาหมาที่เคนมันมันเคยกัดเสือน่ะมันเคยเห่าเสือน่ะมันไม่กลัวเสือนะเอาตัวนั้นละเออก็พาไปอีกทีนี้คนก็ลุ้มตามหลังมันมันก็วิ่งเข้าไปในป่ามันถูกตินเสือเนี่ยเหมือนกับ อะไมาตำรวจที่ว่ามันคนทางไหนเข้าไปให้มันดมกลิ่นตรงนั้นก่อนเพอเส็จแล้วก็คนก็พาไปเนี่ยเสือไปทางไหนเว้ทางนี้เลือดมันมันถูกมันเลือดมันไปเสือมันก็ปีนออกไปพอเขาไปคราวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยนี่เออแต่ก่อนมันเข้าไปทางเหนือลมใช่ไหมล่ะเสือหมาทั้งนี้เข้าไปเหนือลมมันเห็นเสือเห่ามันไม่ถูกกลิ่นเสือนี่ยแต่พอไปคราวนี้มันถูกกลิ่นเสือเท่านี่ย เข้าไปมันไปลมพัดโชยมาทางเสือมาถูกกลิ่นเสือเนี่ยพอมันเข้าไปเท่านั้นแหละแต่เนี่ยไปเห็นเสือตัวนั่นก็ตายเลยนะเสือมันตายเลยเสือตัวเมียแต่มันตายละพอไปถูกกลิ่นเท่านั้นแหละหมาแต่นี่ขาอ่อนเลยแตเนี้ยขาลากเลยงั้นแต่เออขาเอวลากเลยเนียพอเห็นเห็นกลิ่นเสือเีขาลากเลยเลยมีแต่ขาหน้าปกแป๊บเดินเหมือนกันนต่เดินแต่ขาหน้า ขาหลังในลากล้ลอก็บ้แงขี่แต่ขี่ไหลลงเงินเถอะหมากลัวเสือเนี่ยเงินเถอะมีแต่ขาขาเป๋เนี่ยเนะี่ยเสือที่ที่มันกินหมาได้นะเพราะเหตุ น, นี้นะพอมันเห็นเสือมันกลัวอย่างมากเลยอันี้มันเดินต่ได้แต่ขาขาข้างหน้าเท่านะั้ขาหลังมันเอียวลากเลยงี้นนะทั้งร้องอีกต่างหากโ อ, อ้ยไอพานทั้งหลายแหละที่ว่าเดินตามหลังมานนะเนี่ะ เออวิ่งไม่เป็นขบวนเลยทีนี่ว่าเสือยังมีชีวิตอยู่ทีนี่แต่คืกขึ้นไปเออขึ้นไปมันหาต้นไม้ขึ้นก็ไม่ได้ทีนมันอยู่กลางเอกลางสวนกลางไร่ของเขาเนี่ยบางทีไอ้เขาว่ามันขึ้นไปคนหนึ่งขึ้นไปต้นไม้แห้งทีนี่เอ่อต้นไม้แห้งขนาดขนาดนี่ขนาดบาดลงพ่อนีมั้แต่มันไม่มีใบแล้วไม้แห้งอยู่กลางสวนเขา ไอคนที่ขึ้นไปก่อนก็ปีนขึ้นไปอยู่สูงวนะไอคนที่ไปทีหลังเนี่ยก็พยายามดันไอข้างบนขึ้นไปไอข้างบนก็กลัวไม้จะหักทีนี้มันเป็นไม้แห้งไงไอข้างบนก็อยา ก, ยากาอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาแต่ไม้มันจะหักไงไอพวกข้างล่างก็กลัวไม่พ้นปากเสือทีนี้ฟังฟังฟั ง, ฟ, งฟังเขาพูดแล้วก็ปลที่ช่วยโดดลงมากับต่างคนต่างวิ่งเนาะกัน พอที่ไหนได้โอ้เข้าไปแล้วโจรก้อนดินเข้าไปเสือก็ไม่หือ้อไม่ห่าท่นีลยเข้าไปกระเสือตายแล้วนะนี่แหละมนุษย์มนา เ, เห็นแก่ตัวมากๆเลยขนาะดเสือแต่ท่ายังบอกให้เสือกินหมาก่อนตัวเองเอาเปรียบเอาเปรียบหมากัน น, ะนี่ยนะละหลวงพ่อเห็นเสือเสือสามตัวไหมถึงหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กในสมัยนั้น น, ะนี่แหละแต่เป็นรุ่นราวกําลังกล้าก้ากนะ็ในเสือขนาดนี่แะ เสือกำลังกล้าเขามั้งนะเสือไม่กลัวคนเสือห้าหกซอกยเสือไม่กลัวคนถ้าเสือตัวใหญ่ๆหกเจ็ดซอกแปดซอกเก้าซอกขึ้นไปแล้วโอ้โหนั้นเสือฉลาดมากมันจะเข้าไม่เข้ามาใกล้คนมันจะรู้จักหลบรู้จักรกลีกแปลว่าเสือใหญ่มันมีประสบการณ์เสือก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะเออเสือน้อยนะว่าเสือขันเขี้ยวงข่งนะเนี่ยไปเห็นกะได้ก็นน้่ค่าเนี่ย เอาตัวรอดได้ก็แล้วกันนะะแต่โรยมากเสือจะตายในเสือหนุ่มเนอะพะมันขาดประสบะการณ์ของมั น, น่ะถ้าเสือใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้มันง่ายๆแล้วันนี้คนคนเก่าแก่เขาพูดให้ฟังฮะเนี่ยหลวงพ่อตะวันก่อนๆไม่แต่พูดธรรมะอะไรให้ลูกหลานฟังแต่วันนี้พูดประสบะการณ์เรื่องช้างเรื่องเสือให้ฟังวันนี้ เอาตอนนี้ไปรับพร